บอิวุมนมีอยู่แล้วใจ่างงีติใจที่พวกเรามีมีเหมือนกันทุกคนเลยทังนั้นเราย่าลืมธรรมชาติของใจตัวนี้ใจที่สะอาดที่างที่สงบเนี่ยเรามีอยู่แล้วศาสนาพวกเนี่ยเราเชื่อว่าความสะอาดความสางควสงกความบอุเนี่ยันเป็นพื้นฐานของปิตใจของเรา อาจจะแตกต่างจากบางศัสนาที่เขาเชื่อว่าคนเราเกิดมามีบาปติดตัวต้องไปล้างบาปต้องไปป้อนบ่อนขอให้ผิดบาปติดขอให้พระเจ้าได้ไลบบาปลบกรรมที่ที่เคยกระทำาหรือว่าติดตัวติตใจของเรามาแต่ศาสนาพวกนี้เชื่อว่าใจของคนเรามันสะอาดสะอาดสงบมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอเราใช้มิตรก็ตาม เราเกิดข้ออะไรก็ตามเราลืมตัวเราลืมตัวเราหลงตัวเราก็เลยเราก็เลยเรียกว่าโดนเพมกิเลสข้อนำว่าแต่ยิ่งกิเลสมันไม่ได้ข้อนาติตใจตลอดเวลาหะอกนข้อนาเป็นแค่ช่วงครั้งช่วงคราวเทนั้นอันนี้คือธรรมชาติที่ที่เป็นของเรื่องของกายเรื่องของใจของเราเน่ยถ้าเราเข้าใจธรรมชาติตรงนี้นะ มันเป็นเรื่องที่เป็นความจริงของชีวิตของเรานี้คือสิ่งที่เราศึกษาสิ่งที่เราปฏิบัติแต่คนส่วนใหญ่บางทีเราก็ใจเอ็กเซทฤษฎีเราเคยได้ยินคำนักเราเคยอ่านคือคำนักเราเคยที่ถึงเรื่องวกนี้อยู่บ้างแต่น้อยคนนที่ยากจะปฏิบัติอย่างจริงจังใช่ไหมก็อาจจะมีสิ่งต่างๆที่ ที่มาเยื่อเยินมาบอกเราเรียกมากมายเราให้เราลืมตัวเหมือนอย่างที่เราป็นตัวจนะเนาะว่าเราถูกเทเบร์ทูทั้งหลายเนี่ยตัดเตือนแล้วถ้าพู้ที่ประมาทที่เท็บอร์ทูทั้งหลายตัดเตือแล้วถ้าประมาทอยู่เนี่ยจะเข้าถึงกำเนิดเร็วเป่นอาจจะไปเป็นตับเน่รบเป็นเศษเป็นอสุร้ายหรือเป็นตับเฉรี่ฉันก็ได้ แต่ถ้าใครอยู่เอกวรพูททั้งหลายดัเดินแล้วนะจะเดินในอริยมรรคอริยธรรมก็ย่อมเ ข, on, ข้าถึงความเหตุผคหรือทวามไม่านได้รู้จักเอเวอร์พูทไหมเอเวอร์พุบาคนอะจจะคิดถึงถึงเป็นใครมนุษย์ที่ตัวใหญ่ๆนะเหมือนเป็นโยมระทูนะมามาเอาดินยานเอาละ จิตใจของเราไปที่จริงนั้นเทวทูตแบบนั้นจะมีจริงหรือไม่มีจริงนะเขาญาติจะบอกได้นะแต่จริงเทวทูตที่ที่ใกล้ตัวจริงๆนะแล้วเราก็เห็นอยู่เป็นจระการนะแต่เราลูมไปว่นี่แหละที่เขาเทวทูตที่จริงเทวทูตมันง่ายมากนะเหมือนเขาเพื่เจ้านะตอที่ท่านอยู่เรือบางไปบอกไปนองบางบ้างท่านเห็นเทวทูตทั้งที่ ที่คอยที่คอยเตือนสติท่านให้ท่านคิดถึงทางที่จะบุจค้นกับควาุ๊บหรือว่านีกถึงทางที่จะช่วยเหลือมนุษย์ที่โดนจะกความปุ๊บเทวปุ๊บคืออะไรเราเห็นเห็นความแก่ในะอหมเราเห็นไหมเราแก่ทุกวันแก่ทุกวันีนะเ่วปุูบเห็นไหม เห็นคนเจ็บนะคนไม่สบายคนป่วยเห็นไหนะหรือเราเองนะเราก็เจ็บเราก็ไม่สบายเราก็ป่วยบ้างเหนกันด้เห็นคนตายไหมเห็นคนตายมคือได้ยินไมยคนนั้นคนนี้ญาพี่น้องของเราตายนะหรือในทางหกินข่าวโตแล้วครับาก็อยู่สบายๆเนาะนั่งเรือไปเที่ยวก็เรือเว่อก็ตายโคเนาะ นั่นตรงนี้ก็หายตัง้งร่างก่อนตายก็เป็นใครที่อาจจะเกิดกับใครก็ได้นะนะพระพุทเจ้จะเห็นใครทั้งามอย่างนี้ก็เลยถนัดให้ควรย่างที่ว่าคือเราจะมีทางออกจากจากใครความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างไรบ้างเพราะว่าอะไรเห็นคนแก่ก็คุกเห็นคนเจ็บก็บคกุก คนตายก็ไม่รูคนตายเขาพูดอะไแต่ญาติพี่น้องเาพูนแน่ใช่ไหมจะมีทางไหนท่านไดเห็นอีกอย่างที่เอเดลก็อีกอย่างก็คือว่าเอตธรรณะธระอาจจะแอบว่าอาจจะแอาาบว่านัวดก็ได้แต่จกกริงธรณะจริงคือผู้สงบผู้ที่ใช้ีวิตอย่างสบ อ, อาจจะเป็นโยมก็ได้นะถ้ามีชีวิตที่สงบมีชีวิตที่นุเออ ไม่ต้องผลไฟต้องการอะไรมากสำนักคือผู้ที่จะเรียกว่าสมาธิก็ได้สมาธิคือครอบใจคอบกันโดดในสิ่งที่เรามีนะไม่ผลายมากไม่ยินดลไม่ฟุฟ้งแรงไม่ฟุ้งเฟออันนี้จะเรียกว่าสมณักก็ได้นะข้าโยมมีมีนิสัยมีจิตนะรักสงบนะไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งเฟือยนะก็ถือว่าเป็นสมณักได้ ถ้าเนี้ยวทางออกจากความแก่ความเจ็บความตายคือการลองเป็นสมาธิดูน่าจะทําให้เข้าถึงตรงนั้นได้ไม่ใช่ถึงแค่ว่าช่วยตัวเราเองนะให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ยังเป็นการช่วยช่วยคนอื่นให้เขาให้เขาพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายด้วยอันนี้แหละที่ก็เถียงกัพูดเลยไหม ไปเทวทูตเคือเราเห็นไหคล้ายเหมือนเ้าเหมือนกับเจ้านี้นะส่งเป็นหมายกระเรือนมาทวงมาทวงหรือเราบอกเราโรงงานแบบนี้เห็นไหมก็แก่ขึ้นทุกวันนะไม่ได้สอบกระจกนานๆเห็นตีนตาไหมไม่ได้ดูผิวตัวเองอย่างละเอียดเป็นไหมมันเหี่ยมมันย่อมแล้วนะี่คือควาแก่ที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายนี้อ่ะ ทุกนาทีนะทุกนี้อุกนาทีแตว่าได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนะเขาก็คือเอเวอร์ตูดสหมายเตือนเรานะอ่าก็เราจะมีเจ็บตอนนี้ร่างกายมันฟุแต่ก่อนเราอยากจะให้ร่างกายมีอย่างเดียวอยากให้มันุ้งอย่างเดียวแต่เขาเตือนเราว่าร่างกายมันมีความฟุ้งนะเป็นธรรมชาติของมันนะมาต้องแกงต้องเจ็บมาต้องตายนี่คือเอเวอร์ตูดเขาเตือนเราแล้ว เม่อเจ็บเมื่อทุกข์แล้วก็เกลียดเขาจทำอไรล่ะถ้าถึงจะอยู่กับอยู่กัความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างไม่ทุกข์ใจอาจจะอยู่กับสิ่งนี้ได้นะคือการวางใจเพรานั้นนะการวางใจแบบไหนให้ให้ไม่ทุกข์ก็คือการที่เราวางใจยอมรับความจริงให้ได้การยอมรับความจริงนัคืออ้อม เราแก่ขึ้นเราก็ต้องยอมรับนะว่าเราแก่ไม่ใช่เป็นฝืนว่าจะต้องแก่จะต้องเด็กตลอดสาตลอดหนมตลอดสวยตลอดอะไรประมาณนั้นนะมันแก่ขึ้นนี้เรื่อยๆมัก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงทางหน้าหน้าทายพอไทยเรายอมรับความจริงนะจะเป็นเผิวบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกจะมีจีนแก้วบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกนะมันเป็นเหนียวคงแต่สาวบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็ยอมรับเป็นตามความจริงนะนะ เพราะจริงมันก i mean, ็เป็นมันก็ไม่ใช่เป็นแต่เรานะก็คือมัก็เป็นแต่หลายคนก็ยอมรับความจริงไม่ได้นะก็ต้องก็ทุกใจนะก็ทุกใจทุกใจอย่างเดียวในกองคนก็ทําร้ายตัวเองถ้าคนไายมันมีเพื่นอันนี้คือความจริงที่มันเกิดขึ้นคือเรายอมรับความจริงไม่ได้การที่ยอมรับความจริงได้มันก็เกิดจากอะไรเราก็ต้องรู้ว่าความจริงคืออะไร ความดีมันคือกายใจมนะันเป็นธรรเป็นธรรมดาเงินแบบนี้กนะายเป็นแบบนี้แหละการมีความรู้เป็นธรรมดากายจะให้มันดตลอดเนะ่เป็นไปไม่ได้คล้ายเหมือนเราหายใจเข้าเนะี่ยจะให้หายใจเข้ารนะู้สึกไหมหายใจเข้ า, า ม, า ม, ามันก็รู้สึกสดชื่นะสบายแต่เราจะหายใจเข้าตลอดก็ไม่ได้เราต้องหายใจออกนะ บางครัしし้งเราเหนื่อยเครียดก็ใ้แบบคล้ายๆแบบหายใจออกแบบผ่องโ่งสบายเล้เริ่มสบายหมือนกันนะได้แบบหายใจแรงอะรแนีแต่มันต้องใชสมาธิทำแนั้นได้มันต้องหายใจเข้าเข้ามาเหืนเดิที่ร่างกายได้เป็นแบบนั้นนะเราที่ก็โคตหนื่อยเหลือเกินทำงานหนักเครียดเล่นอนเล่นเม่นตากลมสบายหรือเกน นอนทับโมงแรกของวมง้นระบายเรานอนทับติดชั่วโมงเป็นแบบไหนมัก็ทุกนะร่างกายเป็นแบบนี้นะเรากินตอนหิวเรากินเราต้องสุบสบายมีกาลังขึ้นมากินเยอะๆไม่รู้จอแต่ที่จะระบายกระทุนะช่ไร่างกายเป็นแบบนี้เราก็ต้องเปล่นแบบนี้เป็นธรรมดา อะไร uar, ที่มันจะเป็นตัวทำให้เราเห็นว่ากายเป็นภูกิเราก็ต้องมีสติในการเห็นเห็นห้อเห็นกายเขาุกมิแต่ไม่จะเห็นว่าเป็นภูมกายนะมัต่างกันก็าเห็นกายกายที่อาศัยนี่แหละพาเห็นตัวภูมิห้องเดมันก็เจ็ขาเดี๋ยวมันก็ปวดหัวเดี๋ยวมันต้หิวเดี๋ยวมันต้อเหนื่อยอ๋อเดี๋ยวมันก็เลยิญเดี๋ยมันก็ทำนนนี เราอิสติสคอยเห็นถ <Mike. S 1> ้าเห็นกายเหมือนในการที่ใช้เราเราดูเราดูรูปนะมันมันเป็นไปตรงมันถ้าเราอิสติสในการดูอิสติในการเห็นนะไม่ได้เข้าไปเกณฑ์นะก็คือว่าเช่นเราปวดฐาลงปวดขาถ้าพูดเพิ่มเราแค่ว่าเราปวดฐานแต่เร็นสึกฟุ้งนะแต่ถ้าเราว่าขาเป็นปวเนี่ย มันไม่ตุ้มนะมันรู้สึกเลนก็เป็นแค่ขาเพิ่ตัวพีโยก็านั่งอยู่ที่ว่าเขาก็พูดท่าเขาบอกว่าเขาก็สอนรูกนะลูกลูกของเาตอนนี้ก็โตเป็นหนมแล้วแหละตอนเขาไล่ต่านตอนลูกเขายืดขาขวนะลูกเรูของเขาหกล้มนเขาเลยสอนแล้วก็ลูกก็ลองไห้นะมันเจ็บนะ รวมก็หัวเข่ามันแพ้คืนก็เจ็บขาเจ็บข่าเข า, เขาก็เรียอลูกเป็นอะไรลูกกบอกว่าผมเจ็บขาผมเจ็บขาก็กระถามดูดีๆดูดีๆ ด, ดูีๆสอะไรมันเจ็ขามันเ็บนะนี่คือลูกนะเจ็บใช่ไหมเขาเร่าขอรูปแบบนั้ น, นลูกก็จำได้ด้วยความที่เป็นเด็ก ไปไปฝึกมาพ่อวันนึ่นะพอวันหนงพอนั่งทําะไกนเลยงูกแล้ขึ้นนะเขเลียนว่ากินคนกิาะแช่แบบกรบผเจ็บหัวมากนะเจ็บหัวมากพ่อกำลังร้อลูกเห็นเห็นพ่อไหมนะพ่ออะไรมันเจ็พ่อนนี้เวลาเจ็บมวนเวลาไดือกว่านพ่อเจ็บหัวพ่อพ่อตูเสยนะพ่อเรมันเจ็บ ก็อยไรแฟนติขอหัวมันเจ็บไม่ใน่คอเจ็บหัวนะอ่าคือลูกก็เอาคืนนะเอาคืนแต่เอาคแบบแบบควยสุดก็อะไรมันโดนสุดตามอาเพรารู้จักแยกแยะว่าไอ้ที่เจ็บนไม่ใช่เราแต่มนเป็นหัวคืเป็นขามันคอก็ามมีหลักที่กินี้ก็อะไรเขึ้นมาต่อร่างกายเพมันก็แยรางเ้าไอ้ที่เ็บมันเป็นล่างกายมันไม่ใช่เรา แต่เไรที่เราหลงเนี่ยเป็นเราทั้งหมดเลยไมจะเป็นขาไม่จะเป็นหัวเป็นอังนี้ส่ิจะทำให้มันเปลือนมัเปลือนบ่อยแต่บางครั้งถ้าเราอาดสติเราก็จะดู่โอ้แทนเจ็บนะแนทุกข์นะนะปนแต่ถ้าเราเียนสติจะเป็นว่าแทที่เจ็ที่มันทุกข์เนี่ยม็เป็นแค่เรื่องของร่างกายนะเรื่องของร่างกายจิตใจก็เรี่องกันนั้นบางที เรารู er. ้ส oh ึกว th ่าเราผู้ใจเกิดไม่สบายใจมีเรื่องกังวลใจแล้วเราก็ไปกินกับอารมณ์นะเช่นเรากรมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเราเศร้าใจมากเราก็ไปกินเหลียวความเศร้านะเช่นคนตกค่ะเช่นคนตกงานเป็นคนที่โดนเต้าดินทาเช่นคนที่ต้องรับผ้าสูเสียจากของรับสุดเราคนรรับนะ มจะมีความทุกใจ่มมีความทุกใจแต่ถ้าเราัติเรามีดัญาเราจะเห็นจริงแค่ว่าความคุกมันเกิดขึ้นกับใจแต่ไม่ใช่ว่าต้องเป็นเราที่ต้องเป็นทุกข์อาจจะม็นาทีอาจจะมีความที่กลุ่มแสงเกิดขึ้นมามีอารมณ์ที่มันไม่ปกติเกิดขึ้นแต่เราก็ไ้ใกล้เห็นเขียน พอเราเห็นนะเราไม่เข้าใจเองนะความที่โคลแล้วมันจะหายไปนหรือความรู้นั้นก็จะหายไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรา้าเป็นรงไปอยู่กับเาเนี่ยมันจะระดมเรื่องใช่ยคนบกกับแล้วก็ยิ่ง่ิ้มก็ยิ่คุกใมเมือเราเครียดนะก็ยิ่งเครียดนะก็ยิ่งนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็ยิ่งเครียดอีกทำไมที่นอนไม่หลับัวไม่ะบายคนเป็นมะเร็งก็เหมือนกันทีเหมือนกัน แ FO ้่จะตายแน่ก็ยิิก็ยิตายเรวอนั้นนี่แต่ถ้าสบายใจเออาจจะอยู่ได้เป็นหลายปีหลายสิบปีก็ได้นะอันนี้พอะเพราะจิตใจมันจมอยู่กับอารมณ์แต่ถ้าเรามีวิติกเราจะแยกได้เราพ่อจิตใจเริมแอะแต่ที่มาบอกว่ามันมีความมีทุกข์นะอยู่เป็นพื้นฐานหรือว่ามีความสะอาดสว่างสงบ ตัว่เลยทำไมท่าอยู่แล้วไอ้จิตใจที่มันพุกขืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมากับจิตใจเนี่ยมันเป็นของชั่วข่าวก็นั้นโดดนะมันคล้ายกับมันคลกับขนมกับอาหารที่เราซื้อที่มันอยู่ในออกระปุกพันพลาสติกหรือกล่อนะอาหารมันจะเป็นเกลือเลไอห่อที่มันมาพุ่งเนี่ยก็เป็นเกลือเลยนะจิตใจก็เป็นเช่นนั้นนะจิตใจก็เหมือนกับ เนื้อใีจริงๆที่มันสะอาดแต่ไอที่มันมาหุ้มเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่อชุบขาวนะคือเงือกับผลไม้ะที่มันมีมีมาเล็กหอยู่ข้างในนนั้นคือจิตเดินแท้นันคือค่ามไร้จุดเดินแาบนั้นเอเนื้อที่มันหุ้มอยวมันก็ไม่ติดมันก็แค่ติดมาเล็กนะแต่มนไม่มันไม่สามารถที่จะตึงเข้าไปในมาเล็กได้ จิตใจของเราก็เหมือนกันนะความกระตายความไวเผื่อมันมีอยู่แล้วที่เวลาเราลืมไปเราก็เลยโวนไปตรงกับความคิดกับอารมณ์เท่านั้นอนนันนั้นตาร ม, มีกสติหรือว่าการการสร้างามรูสึกตัวเป็นสิ่งที่ที่สํำคัญมากนะอืมถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยนะอืมเ ร, รเราจะอยู่กับทุกอย่างในโลกนี้ในอย่างที่ ไม่ทุกใจนะ <S <S หรือถ้าเนะป็นธรรมเนียรที่เกิดนะมันก็ทุกแค่ช่วงขณะหนึ่งพอรู้ตัวมันก็จะออกมากเองนะะจิตมันจะติดออกมากจากความทุกขนะ์ไม่ว่าเห็นเรื่องการที่คิดทุกข์กังวลเรื่องทุกขกายจะดีหรือเรื่องที่เป็นเรื่อ ง, องกัวงวลใจก็ดีวความติดทวกขี่ความรู้วมันไม่ได้ขับมาหลุดเลยนะมันเหมือนมันหุดออกมากแบบ รู้สึกได้จริงๆแล้วมันอยู่ตรงมาแต่ความพูแม้ตาเนี่เก็บอยู่นะเป็นใจมันอยู่ต่อมาเป็นผู้ไม่เจ็บแล้วเป็นแบบนั้นจริงๆนะตัวที่ไรีว่ารู้รู้สึ ก, กนะตัวเนี่ยนะคือว่าที่เรียกว่าตัวตัวผู้รู้ก็ได้นะถ้าเราตามผู้รู้บ่อยๆเรารู้สึกตัวบ่อยๆเนะี่ยมันจะไป็นิดประหลาดจากทกอยา่างนะรู้จักไหนผิดเป็นผิระหลาด แอ่ที่ที่สันมากนะคนเราชอบจิตละพาศชอบเสรีภาพแต่ใจที่เคมีจิตละพาศเสรีภาพจริงๆนะแต่เราโดนดนอะไรความโลคความปวดความหลงครอบงำตลอดเลยให้เคมีจิตละพาศจริงๆเดี๋ยวก็คิดนั่นคิดนี่เดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ชั่งเดี๋ยวก็พในไม่พอใจเดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ทุกขแต่ใจที่เิตละจริงๆเนี่ยเอาลงแต่ครอบงาไม่ได้ แต่แช่ไม่ีอารมนะอะรต่างๆบคนที่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วต้องเป็นเหมือนเหมือนเปกนท่าสุญญจนนะห้ามยิ้ห้ามหัวเระห้ามแสดงท่าทางท่าลงโอบอะไรต่างๆที่จริงนะคนปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่คนที่เข้าถึงธาทมจริงๆนะหัวเราก็ได้ริ้มก็ได้นะแสดงท่าลงท่าโอบก็ได้นะแต่มันเป็นจริงแค่อาการอยู่ มาต่างนเป็นผิดแค่ปีญญาผิด ท, ที่ทําเป็นปีิยามันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบเข้าวิจินนะเนี่ยเช่นเราต้องเกี่ยวข้องกับกับตู้กับศาครับลูกน้องกับใครอะไรแต่ทีท่เอาเช่นเขาทําผิดนะตำรวรต้องต้องตัดเชืองต้องดุเขาแสดงท่าทีดุท่าทีแบบไม่มั่วนะด่ า, ด า, าบ้าอะไรบ้างก็ได้นะอย่างพระเจ้าเองเขาเวลามีพระท่านทําผิด ติดอ่าที่ในตีดคนะท่านหลาเป็นโมฆะปุรุษโมฆะปุจุตก็แต่ว่าก็เหมือนคล้ายโมฆะก็คือว่าเหมือนปุจุนที่มี้คือมุษยนะก็คือค่ามเ็นขาดจากความเป็นคนท่านหนาแล้วเราก็ได้าไปนะเยอะๆมากมายอย่างเช่นตัวอย่างเช่นคุณมีพาเ็ษในถุงท่านบอกว่าตู้เธอรเอา โอมปากที่เจอเนี่ยโอมกับหัวงูมันจะดีกว่าการะเผชิญกับแบบนั้นประมาณคือท่านโดย้าที่เจอทำมันมันมันร้ายแรง่การที่โง่ขนาดว่าโอมเอาปาไปโอมหัวงูที่เป็นพิษพิีประมาณนั้นนะคือท่านแบบงูข้ามโลงน่นนี้เยอะมากมายแต่จิตใจท่านไม่ได้โกรธนะ ท่านตักเตือวิากกรรมีให้ได้สติให้ได้นิสนะิพวกเราเองก็เหมือนกันนะเราเกี่ข้องกับใคถ้าจำเป็นต้องสแดนนสแดงแสดงบทที่ต้องบุกบ้านข้าแสดงได้นะสแสดงบทใจเหตุอเห็นใจก็ได้นะไม่ใช่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องแบบหน้าต้องอมไม่เปี่ยนเลยนะหน้าติเต้ไม่นิ่งนนะตลอเวลาบางทีพอเราปฏิบัติธรรม เ, เราจะทำถูกถนะูก ควาเฉยเฉที่จริงปีกนี้คนจะทำคือทำเกี่ยวกับธรรมชาติที่สุดทนเพื่อารรมชาติธรรมชาก็คือมันปลอดภัยหน้าตาของเราปลอดภัยเราสามารถยิงได้หัวเ็ากได้ถึงครั้งบ้านก็ได้แต <mar> ่ให้มันเป็นปีแอกปียาไข่ออกแต่อินใจให้มันเป็นอิสระจากอาการต่างๆให้รู้ว่าปีกที่ทำครบ ทำเป็นแค่เป็นเป็นหน้าที่หน้าที่ที่ต้องทําำต้องทําแบบนั้นเพราะว่าต้องสอนลูกะต้องเลี้ยงเพื่อนต้องดูรุกน้องหรือว่าต้องให้กาลังใจเพื่อนไม่ใช่ว่าคือเพื่อนของเธอเรื่องของกันกลับใจกลัวันนะบางคนบางคนเองก็ตื่นตัวทุกได้ยากนก็บอกไปว่าให้ช่วยเหลือหรือว่าเป็นเรื่องกลับใจกลับัน อาจารย์านศาลเจาว่าที่ปรษสาทถูกต้นท่เคยเลาร่รงกันว่ามีดีโอมนหนึ่งนะป่วยหนักมากนะ็นคุณหมอต้องขอว่าต้องให้มีคนช่วยดูแดออลตล<ม>อดเวลาก็ที่สาวก็ไม่เคยทำหงานแหละก็ไปอยู่ที่ว่าปฏิบัติทราเป็นสนะาก็ก็คุณหมอพยาบาลก็สังว่าที่สาวมาช่วยดูน้องตายกันนะ แต่พอไปคุยกับพี่สาวนะเขบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องการของน้องแต่ท่านจะไปปฏิบัติมดีที่ว่าให้สนใจให้คําหน้าที่ก็คิดว่าคือทุกอย่างไในโทษแต่เรื่องของการมกรรมอะไรก็การกะทำนี่แหละที่จริงน่ะการะทําของเราเนี่แหละคือกรรมเราทำดีก็ย่อมเกิดผลดีเรทําไม่ดีก็ต้องเกิดผลไม่ดีแน่นอนะ แต่เรื่องของการแต่ควานั้นจิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจนี่ที่จริงมันเป็นกรรมมานโกรธที่ว่าทําดีไม่เห็นได้ดีแต่จริงถ้าทำดีต้นถึงจิตใจจริงเนี่ยมันได้ทันทีนะได้ของศุกรเราช่วยเหลือใครเรายิ้มเราให้กับใไปกับใครไม่โกรจิตใจมันมีความสุขแล้วได้ทันทีนะทํากรรมเนี่ยได้ทันทีเลย เราโกรธใครเราเกียดใครในใจของเกลียไหมแต่เป็นแบบไหนไปปล่อย ใ, ใจแต่เนทุกข์ใช่ไหมเราเกลียเดยยเราไม่เอภัยเราเลี้ไว้ไอ้นี่มันอาเราอ้นี้มันทำร้ายเราทุกข์ใจนะใช่ไหมคำนิยมูคมททำทันทีเกิดผลที่ใจทันทีนะแต่บางทีผลจากภายนอกอาจจะเกิดขึ้นทันทีในบางทีก็ไม่รู้เช่นเราช่วยเหลือเราเนี่ย เขอไม่ขอบคุณเราก็ได้ถ้าเดี๋วบางทีเขาจะขอบคุณเราเราก็รู้สึกดีความเขาขอบคุณเราเรามีความสุขเขา่ขอบคุณเราเรามีความุกก็ได้ถ้าระบัยใจผิดังนั้นเพื่อการวาใจเนี่ยให้พยายามมีสติไอยรู้ทันรู้ทานอะไรก็คือรู้ทันใจของเราไม่หละรู้ทานว่าตอนนี้อะไรเกิดขึ้นกใจ แต่ต้องแยกอย่างนะี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจมันไม่ใช่ใจจรนะิงๆพระธาตุถ้าเรียกว่าเป็นเป็นเจตสิกนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันะไม่ใช่ใจจริงๆนะนะเหมือที่มาบอกว่าเหงือกับป๋องเหมือกระปุ๋มที่มั น, มนอมหุ้มสิ่งที่เป็นขนมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถกินได้นั่นะเป็นแค่นะอารมณ์พเหมือนกัน แต่ที hof, ica, ập, of the, of ่เกิด네ขึ้นทั่วข่าวเนเช่นอารมณ์อารมณ์ถุกพุ่งเฉยหรือว่าความรู้สึกความรู้สึกเสียใจดีใจพอใจไม่พอใจวิตกังวลใจอันนี้เรียกว่าอารมณ์เกิดขึ้นทั่วข่าวอันนี้ให้เราแยกแยะคงไมีได้คือแม้แต่อารมณ์ที่เป็นสมาธิเสมอกันนะ ถ้าเรารู้ว่าเป็นเพียแค่วงเราไม่หลงหลายคนทำามาธิแล้ว จ, จิตนอะไปจิตจิตอื้มใจนะปุกใจโอใจเบาเหลือเกินไปผิดแค่ระดับนั้นก็ก็ไม่สามารถจะเดินปัญญาตกก่อได้เหมกันนะเพรฉะนั้นอารมณ์จะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจริงในที่ิตประจำวันของเราก็ดี ือารมณ์ี่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิี่ก็ดีหรือที่จริงไม่แต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการทำวิปัสสนาก็ดีนะแค่เห็นเห็นผิดเลยเห็นแล้วก็ผ่านไม่ต้องผาไม่ต้องไิหลงพ่อใจไม่กินใจทำคนปฏิบัติทางิถว่าอารมณ์จะเรดีตลอดเรามีความเครียดเรามีความคลุ้งคล้าพอควาที่ติอต้ามันสุกขึ้นมาก็รู้สึกว่าไม่ชอบ ที่บ้านให้ปลูกที่จให้มันตูกขึ้นมาเนดีแล้วมันได้เห็นนะมันได้ดูว่าข้อตะกอนก่าๆที่เราเก็บไม่ยินใจนะมันเกิดขึ้นมาเน่ยเราเห็ น, นเห็นว่าเพียงอะไรหรืออะไรเห็นแค่ต้องขาดเห็นแคต้องาดไม่ไม่ให้คลาอะไรนะไอ้ค้านับการเดิทางที่เราไม่ลงไปแฉะพักที่นั่นที่นี่นานะเรานั่งรถก็เียงนะ นั่งรก็ดีไม่มเสียเวลาเท่าไรก็รต้องจอดเข้าคำนั่งมันนะหรือบางทีก็เห็นอะไรหน้าชอปปิ้ก็จอดไปช้อปปิ้ใช่ไมเห็นที่ไหนหน้าพักก็แวะไปบ้าหรือบาทีมีทางแยกก็ลงทางง่ายแต่การเดินทางที่ดีที่สุดในตอนนี้คืออะไรนะเคองบีใช่ไหมมันไม่ดีที่พััน <c oughs> <c oughs> ักบนอาก า, าไมได้ มันออกัฒนำงานดิก็ได้ลงที่ห น, นึ่งเลยก็อะไรก็ไม่พักมันยาวทีเดียวน่าแต่รถไปรถเดินการเดินอะต่ามันมีที่เราได้พักเนี่กยการปฏิบัติธรรมก็เหมือนการโยทำไมปฏิบัติธรแล้วก็ช้าก็พักนานพักบ่อยใช่ไหมเหมืนอนแบบที่เราจะได้ยินเรื่องกระต่ายกระตายต่ายมันเดนเรื่อีๆนั่นแต่มันพักไปนอน พักไปเร่งนมันก็ถึงช้าก็เต่าต่าไม่เดินไป้าแต่ไม่พักกับถึงเร็วนะการภาวนาก็เหมือนกันจิตใจภาเนาคือใจไม่พักนะไม่พักไปแก่ดื่กับความสุขไม่พักไปแช่ดื่กับความทุกข์ไม่พักไปอยู่กับสอาใจี๋ไม่พักไปอยู่กับความง่วงนอนนะไม่พักตรงั้นโดยนเรื่อยนะเราอาจจะเป็นเหมือนเต่าก็ได้ค่อยๆตายไปช้า แต่ก็ไม่ปกโดยบาง้นอาเป็นเหมือนเคร่องบินก็ได้นะรู้ทีเดียวนะรู้ทำทันทีก็มีนะก็ไม่รู้นะอันนี้ยินใจที่หนึ่งไหครับแต่มันก็อาจจะไม่ใช่ตลอดเวลาพรบีเราก็โลบบ้าการหลงหลงแล้วก็รู้ตัวว่าหลงอันนี้ถือว่าดีนะไม่ใช่เราผิดนะถ้าเรารู้ว่าเราโดนไปด้วรมกับความที่ เราหลงไปที่กรุงแตงเราลตัวเี่ยก็คล้าเหมนนะที่เราลงไปพักนึกลตัวแล้วเดนทางต่อนะไปต่อนาไปต่อหรือว่าเหมือนกับเราลงทางเนาะพเราเรียกรถติดอันนี้เหมือนม่ถูกอันนี้มันไม่ใช่ห้าเจ็ดที่ทิเราลุกตัวแทนที่เราจะเรียกว่าลุทุตรงไปนั่แหละเรากลับมาหาทางหลั ทำมาทางที่ถูกใช่ไหมมันก็จะไม่เสียเวลามันก็จะ็นเนื่องแต่ไม่เนื่อคช้าแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเเราก็จะต่อไปเรื่อยอะมันก็หลงตาเพ่าะอะไรจากทิศทางที่ถูกไม่ได้ก็หลงไปก็ยิ่งตรงเข้าไปเรื่อยเรื่อยแต่ถ้าเมื่อใดที่เรารู้ตัวเก็จะกลับมาสู่ทางที่ถูกแล้วก็จะออกออกจากความทุกได้ใครจะช่วยเราได้เรอะธรรมะนะธรรมะ อยู่ที่ช่วยเราได้ทำมากที่ช่วยเราได้จริงๆก็คือเราต้องรู้ตัวของเราเองจะมีครูบาอาจารย์เพื่อนพี่เพนขนาไหนแต่ก็ยากที่ท่านจะเตือนเราได้ตลอดเวลาวันหนึ่งเราอยู่หลบภัยตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่หลบภัยอยู่หลใจตัวเองนี่แหละถ้าเรามีสติเตือนกายเตือนใจของเราเองนี่แหละ ต่เป็นครูที่่อยเกือนเราโด่งไปคิดเลนะโ่งปสุขเลยนะโงไปสุขเลยนะต่กลับมาสู่ภาวปกติไ้ไปเอยพยาตรงนี้อยขยานตืนสตินะเมื่อไรที่เราดีสตินั่นแหละเรียกว่าได้คุณธรรมเมื่อไรที่มีสตินั่นแหละเรียกว่าเราเป็นผู้ที่มาต่อมาเมื่อไรีดสติเรียกว่านะื่อคิเตือแล้วเราจะเรีนอริยมรรคอริยโภคอริยธรรมอยู่ ที่ว่าสิ่งการเดินทางออกจากความทุกข์อยู่อันนี้ดีที่สุดเลยมันเราจะทําบุญมากน้อยขนาดไหนเราจะชลาเราจะโง่ขนาดไหนไม่เกี่ยวนะการมสตินี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับว่าอดีตเราเป็นแบบไหนนะไม่เกี่ยวว่าเราได้บุญมามากขนาดไหนไม่เกี่ยวว่าเราอ่าชราหรือโง่ไม่เกี่ยวว่าเราแก่หรือหนุ่มสาวมีสติก็คือ ออกมาจากทุกอย่างไม่เป็นอะไรทั้งนั้นหลวงพ่อคำเสียที่เทศว่าเราไม่เก็นอะไรกับอะไรเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่เป็นอะไรกับอะไรทั้งนั้นคำว่าไม่เก็นอะไรกับอะไรนั่นก็คือว่าไอพิการนี้ก็ดีใจนี้ก็ดีเนี่ยมันก็ไม่เก็นอะไรมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่มีตัวตนเป็นอัตตาสุอของเขาไงไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็น เป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วโดยทำลายธาตุของมันตัวตนเกิดขึ้นชั่วคราวเท่าทนั้นใช่ไหมเกิดขึ้นเป็นเราเกิดขึ้นเป็นเขาเกิดขึ้นเป็นชั้นเกิดขึ้นเป็นแกอะไรต่างมันเกิดขึ้นช่วคราวเราจะเห็นว่าตัวตนเป็นสิ่งที่สมมติปัญญาสติสติปัญญาจะเองว่าแท้ที่จริงแล้วโดยทํำลายภาตุที่เป็นความมรรคที่ดี ตัวตนตัวตตขึ้นชั่าวตัวตนุขตัวตนทุกข์ตัวตนแงเก่งตัวตนแข็งไม่เก่งตัวตนแงดีตัวนแข็งไม่ดีเป็นไหมในีวตของเรามีตัวตนเขึ้นขวายมาเกิดขึ้นเปั้ได้แล้วมจะเห็นแล้วมันไม่เป็นอะไรหรอกจงจรนมแต่ตัวทุกข์เองก็เหมือนกันมันก็เป็นแค่ตัวทุกข์เป็นไม่ใช่เราทุกข์ นะถ้าสิ่นี่มเกลี่แปลงก็เป็นธรรมดาของความีนะริงพยายามให้มีสตินะให้มี ส, นะมสนะติกสติกเนี่ยรู้ง่ายนะทำง่ายหรือ ย, ยากคนที่จุดาใาไหวยากหรงอง่ายง่ายที่เดียวนะอะยากก็จงขึ้นอะ่านะนะนะนะนะ แต่อริงประเด็ น, นมไม่คงไม่ได้บอกว่าน่าจะจาประเด็นคือควรทามากกว่าเด็กอาจจะบอกว่าต้องทำก็ได้นะถ้าความคับไหนก็ต้องทำถ้าลูกแบบจะมีเป็นอนไหนก็ควรทําห้ยู น, นะประมา็นั้นแต่เราคนจะอ่านอมุญาตไม่มีเวลาที่จริงทำปฏิกิริยหลายทรงปฏิกิริยานี่เวลา แต่ทำไม่ได้เพราะอะไรไติที่รูปแบบไปติดว่าเราต้องไปยูวัดไปติดว่าเราต้องนั่งดับตาไปติดนะว่เราต้องเดินจนับความือจับปันไว้แล้วเดินไป ท, ทายนะถึงจะมีสติได้ฉะ น, นั้นเรายลยไปส่งรูปแบบลงกรารจะมีการจะมีสติก็คือเพียงแค่ว่ารู้รู้สึกถึงกายที่เคลื่อนไหว อะไรก็ได้ที่เป็นบ้านกายเนี่ยที่มันเคลื่อนไหวตั้งแต่เราสืบ็นเราหลับนั่นแหละโดทั้งตอนทั้งเราก็รู้สึกเบื่อในขณะที่หลับด้วยเพราะอะไรกายเคลื่อนไหวตลอดเวลาเช่นตรงหายใจเนี่ยจะตั้งใจหายใจหรือไม่ตั้งใจหาใจมันก็หายใจของมันเองนี่คือนายที่เคลื่อนไหว ตาตาสเราที่กระติมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาเราบอกว่าเราลอนนั่งตรงๆนั่งนิ่งๆนะมันก็จะมีกาประดุกประดิบออกมาอยู่นะมันมีการเคลื่อนไหวฉะนั้นตั้งแต่เราตื่นนอขึ้นมาบิดที่เหยียบมันก็เคลื่อนไหวเลยนะแต่งตันล้านหน้าอ่าหรือว่าถูพื้นเจออะไรที่นั่นนี่ตามดูไทยตุ้มไปนะนี่อันนี้คือการปฏิบัติธรรมนะ ไม่ต้องรอแล้วเราต้องไปอยู่ที่วัดไม่ต้องรอแล้วเราต้องไปเดินจังกรมกลับไปกลับมากายที่เคลื่อนไหวนะให้กสติไปคอยรู้ไปคอยดูเห็นนะให้สติเป็นคนเห็นเห็นตายเคลื่อนไหวอะไรก็ได้นะบางครั้งก็ตั้งใจทำบางครั้งก็ทำแบบเป็นธรรมธหรม่าติของมันนะบางครั้งก็ตั้งใจดูลมหายใจบางครั้งก็ตั้งใจยกมือ เคลื่อนไหวบางครั้งก็ตั้งใจเดินเดินปงบ้แต่บางครั้งเราก็ทำการทำงานแล้วก็ดูการเคลนไหวที่เป็นธรรมดาธรรมชาติ่แหละดูไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าดูกายที่เคื่อนไหวอีกส่วนนึงดูใจที่เคนไหวนเช่นะ น, นะเราเดินออไปแค่เนี้นก็เห็นอาหารพู้าร่อยนะทำลายอะไรแล้วก็ได้นะ ใจมันไหวใช่ไหมอยากจะซื้อสวยดีนะหรือเราไปเห็นเช่นบองคนที่นีเนาะอาจจะไม่ใชทุกคนนะเดิเราไปตางเห็นกระเป๋าผู้ผู้สวยใจมันไหวอยากได้ใช่ไหมเราก็เห็นใจเราเพิ่มนไหวไปครือบางทีนะไปดูทีดีเป็นเสิร์ข่าวต่อมาจะมี้อ ใจเราก็ปล oui, ่อยปจให้ปล so ่อยใจเลยนะใช่ไหตือนเราไปเตือไหมบางทีไม่รู้ใจกำลังแค่เห็นหน้าก็มีถูกจัดการแล้วใจเราก็ปล่อยให้หน้ารถทีคนนี้มันมีผู้จัตาใจก็่แล้วบุญทีไปเจเลยโ่งหน้าถูกไดการแเอก็ไปหยดท้อไปหยดปอยใจนใจมันป่อยไปหน้าที่เราคือคอยรู้ทนใจมันจะไห ใจที่ไหวไม่ว่าจะเรื่องที่ดีก็ตามเรื่องที่ไม่ดีก็ตามแค่รู้ึเลยๆนะไม่ใช่ห้ามนะไม่ใช่ว่าเราไปต้องใหรู้สึกกับผูอใหญ่ที่เห็นนะให้รู้สึกกับทุกอย่างทีนะไ่ได้ยินนะไม่ใช่นะนะแค่รู้ทําแค่ตามรู้เขาเลยๆให้เขาสแสดงเป็นธรรมชาติเลยเราแค่แค่ตามรู้ใจที่ไหวไปเรื่อยๆอันะนี้คือเราสังเกตตัวเองนะ ถ้าเราแบบนี้ได้นะทั้งวันของเราการปฏิบัติธรรมตรงนั้นดูกายที่เขคลื่อนไหวดูใจที่เขาเคลื่อนไหวบางทีหลวงพอเี่ขสุปว่าดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดหนึ่งดูใจทคิดนึ่ก็คือใจปรงแต่แต่ไม่ได้ว่าไปต้องไปรู้ว่ามันคิดอะไรคิดดีไม่ดีอย่างไรมเื่อแค่รู้ผเรื่อใจกับเปิดิ รู้ทันตั้งใจแจ่ันเถื่อนอีกทีนันี้ว่าการปฏิบัติธรรมโดยสรุปก็คือว่าดูกายเคลื่อนไหวดูใจคี่ยิดมนั้นเมื่อเรารู้ทังกายเคลื่อนไหวรือทัแต่ที่ยิ้มนัเนี่มันจะหยุดความคิดหยุดการปุงแต่งหยุดความควกคุมได้เกิดไปเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าทิ่งทิ่งจากการปุงแต่ก็คือทิ้งแต่ความควะ นี่คือการภาวนานะการภาวนาในในทางพุทตศาสนานะะเราสามารถทําได้ทุกคนนะอันี้วันนี้ก็จะได้พาพวกเราภาวนาหลาคนก็ภาวนาฝึกมาหลายปีเดยอะแล้วก็คงเข้าใจดีเยอะแล้วนะจริงภาวนาจะพูดอีกย่างคือพับที่มากเลยนะบางทีเข้าใจนะแต่ภาวนาคือพับที่มาก คือการเจริญไม่มากนะคือการภาวนาไม่ใช่แค่ดูแล้วมันจบนะแต่ดูแล้วก็ทำให้มากพัฒนาเองด้วยพัฒนาเองด้วยนะสติแต่คอยพัฒนาไปเรื่อยๆนะที่เรารู้ตัวนี้ก็ถูกนะรู้ไปเรื่ยมันมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกเยอะนะสี่งที่คอยทำไม่หมดมันมีอีกเยอะค่อยๆจะฝึกไปเรื่อยนะใจเย็นๆนะเหมือนการเดินทาง ไปเรื่อยๆไปเรื่อยเรื่อยๆนะาพักนง่ายผิดหลกอามือลแล้วก็ออกมาเดินทางต่อให้เร็วนะอันนี้คือการนาเนาะ